แล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตกใจปรับยะทิโตได้แก่กลัวคือหวาดสะดุง้งคำว่าความคุ้มครองไว้ปฏิดชะทางความว่าตั้งกองอารักขาไว้คุ้มครองมหาชนที่สะดุ้งกลัวว่าพระราชาไม่ได้ทรงเหลียวแลพวกเราที่ถูกไฟไหม้บ้างถูกปล้นบ้าง คำว่าพระโอรสอุดตังความว่าขอพระองค์ได้อภิเศกพระโอรสคือทีคาวุกุมารไว้ในราชสมบัติแล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่ประชาบดีชาวชนบทมิตรอมารและพระประรยาต ท, ทั้งหลายเราสละแล้ว ทีคาวุราชกุมารผู้ยังแว่นแคว้นให้เจริญเป็นบุตรของชาวชาวิเทหราชชาววิเทหราชเหล่านั้นจักให้ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นบุตรสันติปุตตะความว่าพระเทวีศรีวลีธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมไม่มีบุตรแต่ทีคาวุกุมารเป็นบุตรของชาววิเทหราช ชาววิเทหรัตเหล่านั้นจักให้ครองราชสมบัติพระมหาสัตตร์เรียกพระเทวีว่าประชาบดีลำดับนั้นพระนางศรีวลีเทวีกราบทูลพระมหาสัต ว, ว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงผนวดเสียก่อนแล้วก็หม่อมฉันจะกระทําอย่างไรพระมหาสัตจิ่งตรัสกับพระนางว่าพระเทวี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 การที่เรายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้ซึ่งสำเร็จแต่ผู้อื่นนี้เป็นธรรมของนักปราดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเธอตุวังความว่าเธอให้ยกสเสวตาชัดขึ้นแก่พระโอรสพร่ำสอนเรื่องราชสมบัติด้วยคิดว่าลูกของเราเป็นพระราชาจะกระทาบาปเป็นอันมากคำว่าไป คัตชสิความว่าเธอจกไปสู่ทุกขติด้วยบาปเป็นอันมากที่กระทําด้วยกายเป็นต้นใดควาว่านี้เป็นธรรมของนักปราชสทิระธรรมโมความว่าความประพฤติ ท, ที่ว่าพึ่งยังชีวิตให้เป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาด้วยลังแข่งนี้เป็นธรรมของนักปราชทั้งหลาย พระมหาสัตว์ได้ประทานโอวาทแก่พระนางนั้นด้วยประการชนิเมื่อกษัตริย์ทั้งสองตรัสโต้ตอบกันและกันและเสด็จดำเนินไปพระอาทิตย์ก็อัสดงคตพระเทวีมีพระเาวณีให้ตั้งค่ายในที่อันสมควรพระมหาสัตว์เสด็จประทับแรมณโนะคนไม้แห่งหนึ่งประทับอยู่ณที่นั้นตลอดราตรีรุ่งขึ้น ทรงรมสรีระกิจแล้วสเสด็จไปตามมาักคาะปายพระเทวีตรัสสั่งให้เสนาตามมาภายหลังแล้วสเสด็จไปเบื้องหลังแห่งพระมหาสัตว์ทั้งสองพระองค์นั้นสเสด็จถึงทูนนครในเวลาพิกขาจาร์ขณะนั้นมีบุรุษคนหนึ่งภายในเมืองซื้อก้อนเนื้อใหญ่มาแต่เขียงขายเนื้อเสียบหลาย่างบนถ่านเพลิงให้สุกแล้ว วางไว้ที่กระดานเพื่อให้เย็นได้ยืนอยู่เมื่อบุรุษนั้นส่งใจไปที่อื่นสุนักตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อนั้นหนีไปบุรุษนั้นรู้แล้วไล่ตามสุนักนั้นไปเพียงนอกประตูด้านทักษิณเบื่อหน่ายหมดอาลัยก็กลับบ้านพระราชากับพระเทวีสเสด็จมาข้างหน้าสุนัขตามทางสองแพร่งสุนักนั้นทิ้งก้อนเนื้อหนีไปด้วยความกลัว พระมหาสัต ท, ทพระเนธเห็นก้อนเนื้อนั้นทรงจินตนาการว่าสุนักนี้ทิ้งก้อนเนื้อนี้ไม่เหลียวแลเลยหนีไปแล้วแม้คนอื่นผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ปรากฏอาหารเห็นปานนี้หาโทษมิได้ชื่อว่าบางสุกุลบินธบทัทเราจักบริโภคก้อนเนื้อนั้นพระองค์จึงนำบาทดินออกถือเอาเนื้อก้อนนั้นปัดฝุ่นแล้วใส่ลงในบาด เสด็จไปยังที่มีน้ำบริบูรณ์ทรงพิจารณาแล้วเริ่มเสวยเนื้อก้อนนั้นลำดับนั้นพระเทวีทรงดําริว่าถ้าพระราชานี้มีพระราชประสงค์ราชสงบัิจะไม่พึงเสวยก้อนเนื้อเห็นปานนี้ซึ่งน่าเกลียดเปื้อนฝุ่นเป็นเดนสุนักบัดนี้พระองค์จักมิใช่พระราชสวามีของเรา ทรงดำริชนีแล้วกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์ช่างเสวยเนื้อที่น่าเกลียดเห็นป่านนี้ได้พระมหาสัตว์ตรัสว่าพระเทวีเธอไม่รู้จักความวิเศษของบินทบาทนี้เพราะเขาตรัชนีแล้วทรงพิจารณาสถานที่ก้อนเนื้อนั้นตั้งอยู่เสวยก้อนเนื้อนั้นดุจเสวยอมตะรส บ้วนพระโอดล้างพระหัตและพระบาทแล้วขณะนั้นพระเทวีเมื่อจะทรงตำหนิพระราชาจึงตรัสว่าคนที่ฉลาดแม้ไม่ได้บริโภคอาหารสี่มือ้อราวกล่า ว, ว่าจะตายด้วยความอดก็ยอมตายเสียด้วยความอดเขาจะไม่ยอมบริโภคก้อเนื้อคลุกฝุ่นไม่สะอาดเลยข้าแต่พระมหาชนกพระองค์สิ เวยได้ซึ่งก้อนเนื้ออันเป็นเดนสุนักไม่สะอาดน่าเกลียดนักบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าราวกะว่าจะตายอจุดทะมาริวได้แก่เหมือนใกล้จะตายคาว่าคลุกฝุ่นลุลิตังได้แก่เปื้อนฝุ่นคาว่าไม่สะอาดอะนริยังได้แก่ไม่ดีนุ อักษรในคาว่านุเสเวเป็นนิบาทลงในอัธถามนโต้ตอบมีคำอธิบายว่าแม้ ä, ถ้าจะไม่ได้บริโภคอาหารสี่มือ้อหรือจะตายเสียด้วยความอดแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นคนฉลาดก็ไม่ยอมบริโภคอาหารเห็นปานนี้เลยคือไม่บริโภคอย่างพระองค์คำว่าตยิทังแปลว่านี้นั้นพระมหาศัตตรตอบว่า พระนางศีวลีก้อนเนื้อนั้นชื่อว่าไม่เป็นอาหารของอาตมาหามิไดเพราะถึงจะเป็นของคนครองเรือนหรือของสุนัข ก, ก็สละแล้วของบริโภคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้ที่บุคคลได้มาแล้วโดยชอบธรมของบริโภคทั้งหมดนั้นกล่าวกันว่าไม่มีโทษบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชื่อว่าไม่เป็นอาหารหามิได อภักโขความว่าบินทบาตนั้นจะชื่อว่าไม่เป็นพักสาหารของอาตมาหามิได้คำว่ายังโหติความว่าของสิ่งใดที่คฤหัตหรือสุนัขสละแล้วของสิ่งนั้นชื่อว่าบางสุกุลเป็นของไม่มีโทษเพราะไม่มีเจ้าของคาว่าเราใดหเราหนึ่งเยเกจิความว่า เพราะฉะนั้นโคลคเราใดเ่าหนึ่งแม่อื่นๆที่ได้มาโดยชอบทำข้อว่าของบริโภคทั้งหมดนั้นไม่มีโทษสโพโโสพักโโอนวะวโยความว่าไม่มีโทษคือแม้จะมีคนดูอยู่บ่อยๆก็ไม่บกพร่องบริบูรณ์ด้วยคุณไม่มีโทษแต่ลาบที่ได้มาโดยไม่ชอบทำ ถึงจะมีค่าตั้งแสนก็น่าเกลียดอยู่นั่นเองเมื่อกษัตริย์สององค์ตรัสสนทนากะกันอยู่อย่างนี้พลางเสด็จดำเนินไปก็ลุถึงประตูถูณ น, ะนะครเมื่อทารกทั้งหลายในนครนั้นกําลังเล่นกันอยู่มีนางกุมาริกาคนหนึ่งเอากระด้งน้อยฝัดทรายเล่นอยู่กําไลอันหนึ่งสวมอยู่ในข้อมือข้างหนึ่งของนาง กำไลสองอันสวมอยู่ในข้อมือข้างหนึ่งกำไลสองอันนั้นกระทบกันมีเสียงกำไลอีกอันหนึ่งไม่มีเสียงพระราชาทรงทราบเหตุนั้นมีพระดำริว่าบัดนี้พระนางศีวรลีตามหลังเรามาขึ้นชื่อว่าสตรีย่อมเป็นมนทินของบรรพชิตชนทั้งหลายเห็นนางตามเรามาจักติเตียนเราว่า บรรพชิตนี้แม้บวชแล้วก็ยังไม่สามารถจะละพรรยาได้ถ้านางกุมารีนี้ฉลาดจะพูดถึงเหตุให้นางศิวลีกลับเราจะฟังถ้อยคําของนางกุมารีนี้แล้วส่งนางศิวลีกลับมีพระดําริฉนั้นแล้วสเสด็จเข้าไปใกล้นางกุมารีนั้นเมื่อจะตรัสถามจึงตรัสคาถาว่าแน่นางกุมาริกาผู้ยังนอนกับแม่ ผู้ประดับกำไลมือเป็นนิดกำไลมือของเจ้าข้างหนึ่งมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังเพราะเหตุไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ยังนอนกับแม่อุปเสนิเยความว่าเข้าไปนอนใกล้มานดาคำว่าผู้ประดับกำไลนิฆละมันดิเตความว่าพระมหาสัตรกว่า มีปกติประดับด้วยเครื่องประดับชั้นยอดคำว่ามีเสียงดังสุนติได้แก่ทำเสียงดังนางกุมาริกากล่าวว่าข้าแต่พระสมณะเสียงเกิดแต่กาไลาสองอันที่สวมอยู่ในข้อมือของข้าพเจ้านี้กระทบกันความที่กาไลาทั้งสองกระทบกันนั้นเป็นเหตุแห่งเสียง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 กำไรสองวงคำว่ากระทบกันสังคตาความว่าเพราะกระทบกันคือเสียดสีกันคำว่าเป็นเหตุคติได้แก่ความสำเร็จด้วยว่ากำไรอันที่สองย่อมมีความสำเร็จเห็นปานนี้คำว่าโสได้แก่กำไรนั้นคำว่าเป็นเหมือนนักปราชหมุนิภูโตวะ ความว่าราวกับว่าพระอริยบุคคลผู้ละกิเลสได้หมดแล้วดำรงอยู่คำว่าวิวาทกันวิวาทัปปตูความว่าข้าแต่พระสมณนะขึ้นชื่อว่าคนที่สองย่อมวิวาทกันคือทะเลาะกันถือไปต่างๆกันคำว่าคนเดียวกับใครเล่าเกเนโกความว่า ก็คนเดียวจากวิวาทกับใครเล่าคำว่าจงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดเอกัตตมุปรโรจตังความว่าท่านจงชอบความเป็นผู้อยู่คนเดียวเถิดก็แลครันกล่าวอย่างนี้แล้วนางกุมาริกานั้นได้กล่าวอย่างนี้อีกคือกล่าวสอนพระมหาสัตว์ว่าขค่แต่พระผู้เป็นเจ้า ธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมจับไม่พาแม่น้องสาวเที่ยวไปเลยแต่เหตุไรท่านจึงพาภริยาซึ่งทรงรูปอันอุดมเห็นปานนี้เที่ยวไปภริยานี้จะทาอันตรายแก่ท่านท่านจงนำภริยานี้ออกไปอยู่ผู้เดียวเท่านั้นบำเพ็ญสมณะธรรมให้สมควรเถิด